เหตุให้ไม่ปรินิพพานในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพพานในทิฏฐธรรมปัจจุบันท่านผู้เป็นจอมเทพรูปทั้งหลายที่จะพึงรู้ได้ด้วยจกักษุมีอยู่เป็นรูปที่น่าปรารถนาน่าใกล้ น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดถ้าว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งรูปนั้นแล้วซ้ายเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกซึ่งรูปนั้นอยู่วิญญาณ น, นั้นเป็นวิญญาณอันตันหาในอารมณ์คือรูป อาศัยแล้ววิญญาณ น, นั้นคืออุปาทานท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพานท่านผู้เป็นจอมเทพนี้แลเป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่ปรินิพานในทิฏฐธรรมปัจจุบัน หมดอาหารก็นิพพานในกรณีของการที่พระองค์ได้ทรงอธิบายเรื่องหมดอาหารก็นิพพานนั้นคำว่าอาหารคือผัสสะก็คือการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราในช่องทางอายตนะทั้งหลุ้วนเป็นอาหารของบิญญาณ วิญญาณที่เข้าไปรับรู้ในช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยนั้นก็คือตัวผัสสะนั่นเองส่วนตัวมโนสัญเจตนาก็คือการที่วิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้ในส่วนของสัญญาและสังขารความจำและความคิดส่วนอาหารคือวิญญาณก็คือการที่วิญญาณนั้นเข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปรับรู้ ในรูปเวรทานาสัญญาสังขารสี่ธาตุที่พระองค์เรียกว่าวิญญาณทิติฐานที่ตั้งของวิญญาณซึ่งถ้าใครมาพิจารณาเรื่องอาหารของวิญญาณผู้นั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้ใครมาเห็นตัวอาหารคือมโนสัญเจตนาคนคนนั้นจะกำหนดรู้ตัวตัณหาสาม ก็คือการมตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาส่วนใครมาพิจารณาเรื่องอาหารคือผัสสะคนคนนั้นจะพิจารณาเห็นเวทนา3คือสุขทุกข์และอทุุขคำสุขส่วนอาหารคือคําข้าวที่เรียกว่ากับผลีกาลาหารก็คือตัวอาหารคําข้าวที่เรากินเข้าไป ทุกวันทุกวันนี่แหล ะ, ะพระองค์ก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นเพียงทำให้ร่างกายของเรานั้นดำรงอยู่ได้เท่านั้ น, นไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อโมเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้ให้พอเป็นไปเพื่อการประพฤติปรมจรรันทร์ และพระองค์ได้อุปมาในเรื่องของวิญญาณกับนามรูปเอาไว้โดยเปรียบเหมือนแสงนะกับฉากซึ่งเมื่อแสงเนี่ยส่องทะลุเรือนยอดจากหน้าต่างทางทิศตะวันออกมาแล้วแสงก็จะมาปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระองค์ก็ถามอีกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีแสงจะปรากฏที่ไหน สาวกก็ตอบว่าแสงปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีแสงก็จะไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีพระองค์ก็บอกว่าแสงนั้นย่อมไม่ปรากฏนะสาวกตอบอย่างนี้พระองค์ก็บอกว่าถูกต้องแล้วก็บอกว่าชั้นใดก็ชั้นนั้นนะถ้าจิตของเราเนี่ยเพลิดเพลินนะพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วเนี่ย การปรากฏขึ้นของวิญญาณก็มีอยู่ได้พระองค์จึงให้เราทั้งหลายเนี่ยละความเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือในรูปเสียงกลิ่นลดโพธภาธรรมรมหรือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการเกิดขึ้นของวิญญาณก็จะไม่มีก็จะหมดไปได้นี่คือลักษณะของอเรื่องของอาหาร อาหารของวิญญาณซึ่งพระองค์ให้เราทําอาหารของวิญญาณให้หมดไปไม่ให้วิญญาณมีที่ตั้งอาศัยก็จะสามารถเข้าถึงมรรผลนิพพานได้ภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตันหาในอาหารคือคําข้าวก็ดีในอาหารคือผัด ส, สะก็ดีในอาหารคือมโนสัญญาเจตนาก็ดี ในอาหารคือวิญ ญ, ญาณก็ดีแล้วไซด์วิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญ ง, งอกงามอยู่ไม่ได้ในสิ่งนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญ ง, งอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใด ภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โศกไม่มีทุลีและไม่มีความคับแค้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกครั้นดวงอาทิตย์ขึ้นมา แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางช่องหน้าต่างแล้วจกตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั่นเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์จะปรากฏที่ฝาเรือนข้างในด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงแห่งดวงอาทิตย์นั้น จะปรากฏอยู่ที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ พ, พื้นดินพระเจ้าค่าพิกษุ์ทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเหล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏในน้ำพระเจ้าค่า ภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจกปรากฏที่ไหนอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหา ในอาหารคือคำข้าวก็ดีในอาหารคือผัดสะก็ดีในอาหารคือมโนสัญญาเจตนาก็ดีในอาหารคือวิญญาณก็ดีแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวเป็นต้นนั้นๆวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใด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 ชรามรณะต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นชาติชรามรณะต่อไปไม่มีในที่ใดภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่โสกไม่มีทุลีและไม่มีความคับแค้นดังนี้